คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานองค์หลวงตาก็คงอยากจะทราบว่าหลวงตาเป็นยังไงเนอะอผู้ที่มาวัดก็คงจะถามครูใดก็ลําบากแต่ก็ขอใน ม, มณฑลครูบาอาจารย์ฉันเลยนะกระผมใน ม, มณฑลครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนฉันเลยเดี๋ยวหลงพ่อและอาตมาภาพจะบอกกล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังสัก ช่วงระยะนึ่งก็จะฉันอาหารละคอเมื่อฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่อุทัยท่านจะกล่าวอะไรอีกให้คณะสัาาตยาธิยมได้รับทราบแต่นี้หลวงพ่อเป็นเพียงชี้แจงว่าองค์หลวงตาท่านมีอะไรบ้าง เ, เมื่อวานองค์หลวงตาของเราท่านเหนื่อยอ่อน เ, ออเพร่าแล้วก็มีอาเจียนบ้าง แต่หัวใจหมอตรวจปกติความดันปกติไม่มีไข้อาการลุงตาปกติแต่มีแต่เหนื่อยกับอาเจียนเมื่อวานนี่ยหมอก็ได้ให้อาหารทางเส้นเลือดแล้วก็น้ําน้ําเกลือบ้างแต่ว่าอาเจียนนี่ก็คงจะเกี่ยวกับน้ํำในกระเพาะอาหารเหมือนกับครั้งก่อนๆแต่ก็คงจะไม่มากไม่มากเหมือนครั้งก่อนแต่ว่าเมื่อ เหนื่อยน่ยกรู้สึกเหนื่อยและก็ฉันอาหารเมื่อวานฉันอาหารได้น้อยเมื่อก่อนเมื่อก่อนนฉันอาหารได้มากกว่าเมื่อวานฉันอาหารไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนเมื่อวานท่านพักท่านว่าท่านท่านท่านเพียนะอ่อนเหนื่อยแล้วก็เมื่อวานหมอก็ตรวจเป็นระยะระยะแต่สาเหตุที่เหนื่อยเพราะอะไรอาตมาภาพก็ได้เรียน ถามคณะแพทย์หมอว่าตั้งแต่เกี่ยวเนื่องมาแต่คราวก่อนคือตามปกติเม็ดเลือดของคนเราเนี่ประมาณ40่สิคืออันนี้มาตรฐาน40หรือ40กว่ากว่าหรือว่า30กว่ากว่าแต่นี่องค์หลวงตาของเราเม็ดเลือดอลดลงมาตามโดยลำดับลาดับเดีนี้มาถึงเมื่อกี้นี่ถึง1 0 20นะแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานี่ลดลงถึง18นะ เ, เม็ดเลือดของลุงตากําลังเม็ดเลือดของลุงตาหนึ่งสเพราะฉะนั้นจึงทําให้ลุงตาอ่อนเพล่เนยเและจะวิธีแก้ไขจะทําอย่างไรคณะญาติญาติโยมลูกหลานคณะชิด ท, ทั้งหลายก็คงอยากจะทราบว่าจะทํำยังไงการแก้ไขในอาการป่วยของลุงตาที่ว่าเหนื่อยเนี่ยหมอก็บอกว่าถ้าลว ง, งตาเราฉันได้ปกติฉันได้มากก็คงจะ ไม่จําเป็นอย่างอื่นก็คงจะพยายามท่านก็คงจะยานันอาหารและก็เลือดก็คงจะเพิ่มขึ้นนะลำรับลําดั บ, ดบแต่อันดับที่สองถ้าหากว่าไม่ขึ้นแล้วก็ฉีดยาใต้ผิวหนังเพื่อกระตุ้นให้เม็ดเลือดให้ลงตาขึ้นแต่นี่ก็ได้ฉีดไปแล้วก็มีแต่ป่ทาทังป่าทังกับซดอันที่อันดับที่3าก็คงจะเอาเลือดถาวายองค์ลุงตา แต่เนี่จุดนี้เป็นจุดที่จะต้องพวกคณะสิทธิ์ทั้งหลายต้องคิดหนักเหมือนกันที่นี่และจะทํำยังไง อ, อันที่3นี่แหละก็ยังปรึกษาปารบกันอยู่กับคณะแพทย์คณะหมอคณะสัตธาญาติโยมหลายหมู่หลายเหล่าแต่ถึงยังไงก่อนที่เราพวกเราจะทําอะไรกับองคหลวงตาขอประกาศให้คณะสัตยาญาติโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่รักเคารพในองคหลวงตาให้ทราบทั่วกันว่า คณะแพทย์ก็ดีครูบาอาจารย์อุปถัมภ์ปาใกล้ชิดก็ดีก่อนที่จะทําอะไรกับองค์หลวงตาพวกเราต้องได้รับอนุยากจะองค์หลวงตาซะก่อนทุกครั้งนะพูดอย่างนั้นได้ว่าทุกครั้งถ้าหลวงตาว่าหยุดยาไม่เอาเอพวกคณะแพทย์ก็ดีคณะศิษย์ก็ดีจะต้องเคารพในคําสั่งของหลวงตาจะไม่มีใครข้ามเกินองค์หลวงตาแต่เมื่อทําเมื่อเราได้ฉีดยาหรือว่าทําอะไรกับองค์หลวงตา แล้วพวกคณะหมอก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีต้องอแสดงความเคารพเรือว่าเอาพวงมาลาเรื่อว่ า, อาปุ่มดอกไม้กบาบคารวะองค์หลวงตาทุกครั้ง ท, ที่ที่เห็นเห็นมา เ, าเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่ไกลถึงจะห่วงยังไงห่วงกับองค์หลวงตาก็ขอให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะแล้วก็ส่งพลังจิตพลังใจ เข้ามาช่วยองค์หลวงตาขอให้หลวงตาสุขภาพหายวันหายคืนหายโดยเร็วพลันด้วยอเนสง์ศิลอเนสง์ปฏิบัติีปฏิบัติชอบของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้เป็นพลังเกื้อกูลหนุนสุขภาพหลวงตาให้หายจากโรคขาพญาติโดยเร็วพลันด้วยเทอ